สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบารนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นสุดท้ายของกฎข้อที่13ครับก็คือกฎแห่งความสมดุลพี่น้องครับกฎแห่งความสมดุลของศาสนาจารย์ฟิลิปเทงประเด็นนี้ในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข่งครัดเที่ยงตรงความเข้มแข็งความเข้มงวดกับความอ่อนโยนกับความสุภาพ กับความรักกับความละมุมละม่อมพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12บข้อ9้และข้อที่10ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงรักกันด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว โปฝ่าอีกครั้งครับจงรักกันด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกยียดแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวพี่น้องครับเพราะชนะของพระเจ้าเตือนสติเราทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของความเคร่งครัดเที่ยงตรงก็คือ เก่ยวข้องกับเรื่องของการเกลียดชังสิ่งที่ชั่วครับในขณะเดียวกันพระเงมพีก็บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องแบบสนิทสนมเลยครับต้องสนิทสนมจงรักกันฉันพี่น้องต้องสนิทสนมสุภาพอ่อนโยนครับในการเข้าหากันหนที่สุดพี่น้องครับถ้าเรามีความสัมพันธ์เรารู้จักกันเราช่วยเหลือกันเรามีสามัคคีทำกัน เรามีความเคารพนับถือกันแต่อยู่ห่างๆมันก็ไกลยอยู่ครับเราต้องสามารถที่จะให้คนเข้าหาเราได้และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องใช้ความละมุมละม่อมเราต้องใช้ความรักเราต้องมีความอ่อนโยนครับพี่น้องความอ่อนโยนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากทําให้คนเราสามารถเข้าหากันได้ง่ายขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมี ความใส่ใจนะครับหลายหลยคนนั้นมีความแข็งเข้มแข็งหลายคนนั้นมีเรียกว่าชีวิตแบบไม้บรรทัดครับซึ่งพอไม้บรรทัดมันตรงมันแข็งแล้วมันใช้วัดถูกผิดนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าชีวิตของเรานั้นในภายนอกเราจะต้องมีมาตรฐานจริยธรรมมีคุณธรรม เราจะต้องเกลียดชังสิ่งที่ชั่วนี่ความหมายของพัมพีตอนนี้ครับแต่ในขณะที่เราเป็นอย่างนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในเรานั้นจะต้องมีความรักพัมพีสอนว่าเราต้องรักกันฉันพี่น้องฉันพี่น้องคือว่ามีความสนิทสนมมีจิตใจที่อ่อนโยนมีเจใจพร้อมที่จะให้อภัยพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว นั่นหมายความว่าเราจะต้องแยกแยะสิ่งที่ชั่วและสิ่งที่ดีออกจากกันได้การแยกแยะสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ดีออกจากกันได้มีความหมายในเชิงจริยธรรมและมีความหมายในเชิงศาสนศาสต ร, ร์ความหมายในเชิงศา ส, สนศาสตร์นั้นก็คือความเชื่อถูกหรือผิดความเชื่อที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ความเชื่อที่เจือปนกับความเชื่อที่บริสุทธิ์ในขณะเดียวกันครับมาตรฐานทางจริยธรรมก็คือการดาเนินชีวิต เช่นเดียวกันครับการดำเนินชีวิตเราเองนั้นจะต้องมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องตามจริยธรรมถูกต้องตามหลักการพระวจนะของพระเจ้าความประพฤติของเรานั้นต้องดีงามความประพฤติของเรานั้นต้องนำมาสู่ความสมานฉันท์พี่น้องครับชีวิตที่ดีงามชีวิตที่สัตซ์ซื่อชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่มีมาตรฐานนั่นครับคือชีวิต แต่ว่าใ น, นาการเดทกันครับเราจะต้องมีความกลมกลืนสมานฉันท์มีความสนิสนมมีความรักมีความกลมเกลียวกันนั่นแหละครับคือความสมดุลต้องมีความสมดุลระหว่าง2 อ, อย่างนี้ครับพี่น้องถ้าเราไม่มีความสมดุลทั้ง2 อ, อย่างนี้มันก็จะเกิดความยุ่งยากยุ่งยากในแง่ที่ว่าหลายคนนั้นก็เข้มงวดเกินไปหลายคงเคร่งคัดเกินไปหลายคนนั้นก็แข็งเกินไป ทำให้เราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้มีความยกย่องคนอื่นรักแบบใจจริงได้คนอื่นอาจจะไม่ชอบเราเพราะว่าเราเป็นคนที่เคร่งคัดเคร่งขมเข้มงวดเกินไปพระคัมีรบอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องความรักนั้นต้องมีความอ่อนโยนละมุนละม่อมความรักนั้นต้องมีการยกโทษ ความรักนั้นต้องเห็นส่วนดีของการและการอยู่เสมอความรักนั้นก็มีความอดทนครับพี่นอ้องอดทนคนจีนนั้นมีคํากล่าวว่าข้างในสี่เหลี่ยมข้างนอกกลมกลมเป็นคําพูดที่ถูกต้องที่สุดครับข้างในสี่เหลี่ยมคืออะไรครับสี่เหลี่ยมในที่นี้หมายความว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อคุณหันด้านไหนนะครับมันจะเท่ากันตลอดนงครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนั่นคือมาตรฐานชีวิตข้างในซึ่งเล็งถึงความดีงามความซื่อสัตย์ แต่ในขันเดียวกันครับคข้างนอกต้องกลมๆแปลว่าจะต้องเข้าหาได้ง่ายต้องมีความอ่อนโยนนะครับสามารถที่จะกลิ้งไปไหนมาไหนได้หมดคาว่ากลิ้งไปไหนมาไหนนะครับเป็นความหมายในเชิงบวกนะครับไม่ใช่เป็นคนที่กลิ้งกลอกไม่ใช่ครับแต่เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่คนเข้าหาง่ายเป็นคนที่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมพี่น้องครับตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่หลายครั้งทีเดียว ชีวิตของเรานั้นก็ไม่สมดุลเท่าที่ควรจึงต้องขอพระเจ้าช่วยเราครับในการที่เราจงสมดุลความสมดุล น, นั้นอยู่ตรงไหนค่อนข้างจะยากนะครับก่อนที่ผมจะจบบทนี้จะเป็นคำอธิษฐานที่ผมเองนั้นอธิษฐานเผื่อตัวเองด้วยเผื่อพี่น้องด้วยที่ฟังเสียงสิทธิพิบาลอยู่นะครับที่เราจะต้องมีความสมดุลความสมดุลอยู่ตรงไหนครับ เพร่อวิญญาณจะสอนเราทั้งหลายและนั่นคือประสบการณ์ที่เราจะต้องก้าวหน้าต่อไปในชีวิตที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน